เราเดินจกกงกรมเท่าไหร่นานเท่าไหร่สีิบนาทีสีิบนาทีแล้วก็จากนี้ไปสิบเอดมันก็เวลาแค่สี่้านาทีสีห้านาทีถึงสิบเอดจากสิบเอดถึงสิบสองจุดจุดจุดจุ ด, จด <c oughs> นะก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงก่อนเที่ยง รับทานอาหารตั้งแต่เช้าชั่วเที่ยงแต่ถ้าเป็นมื้อเดียวถ้าเป็นมื้อเดียวก็ตอนเช้ามื้อเดียวก็เสร็จแต่ถ้าเรารับเช้าชั่วเที่ยงเราอาจจะเอ า, เอาสอรอบสามรอบก็ได้แต่วัดป่าเราพระเอาหนึ่งรอบรอบรอบเดียวตอนเช้าตอนเที่ยงลุกขึ้นแล้วลุกขึ้นจากอาสนะแล้วเนี่ยห้ามมีโุ่นมีนี้อาหารว่างอาหารเวอรอะไรไม่ให้มี มีก็มีโกโก้มีกาแฟที่เปลี่ยนปานะที่เป็นอะไรตอนบ่ายแค่นี้เราก็อยู่ได้ร่างกายนี้อยู่ได้เป็นได้ร่างกายพอเราให้มันน้อยมันก็ปรับมันปรับตามสภาพของมันยิ่งเราอดไปสองวันสามวันมันปรับกำลังของมันมันปรับของมันเองมันปรับไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ปรับ เราจอบจอบผลกันนะอยู <rzy> ่วัดสมัยอยู <in> <poetry> so ่วัดปั๊บเนี่ยเราก็ปล่อยเลยล่ะไม่ออกไมาชั้นด้วยซ้าปล่อยเลยปล่อยช่วงเวลาที่เราไม่ออกมาจนถึงเก้าโมงสิบโมงบางทีไปจนถึงเที่ยงบ่ายโมงเราถึงออกมาโอ้ยมีเวลามากมาเยอะๆเลมันเป็นช่วงที่เบาสบายดีปลอดโปร่ง มันเป็นช่วงที่มีเวลามีเวลาเยอะมีเวลาเป็นตัวของตัวเอาเอาเลยมัมกันเอาเรื่อยเอาเออกถ้าออกมาแล้วก็โอ้ลุกลุกยากนั่งอยู่ตรงนั้นเลยยิงเสาอาทิตย์วยแล้วเนี่ยไม่ต้องลุกไปไหนครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาวันะที่เดินกลับก็ดีเดินยังไม่ยังไม่ลับตาสาลาเละ ไปอีกแล้ว <c oughs> ต้องได้กลับมาอีกแล้ว <c oughs> แต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่เ <c oughs> พิ่นจะบอกบอกเวลาพักเวลารับแขกเวลาน้นเวลานี้แต่เราเห็นราให้ความสำคัญพวกคนที่ไปเป็นคนไกลๆอยู่ไกลๆไปอยู่กรุงเทพเนี้ยอุตส่าห์นั่งเครื่องไปไปลงแล้วก็ไป เราก็จะรีบไปวัดวันวันนี้วันนี้วันนั้นเราเห็นว่าเขาไปเขาไม่ง่ายเลยนะไปไม่ง่ายการที่เราการที่เดินทางไปกว่าจะถึงนี่มันไม่ง่ายเลยนะกับกับที่เราออกออกมาต้อนรับเขาพูดคุยให้สรมมะแค่นั้นเนี่ย <c oughs> เอาเวลานี้เป็นเวลานั่งสับประงกเตรียมสับประงบ ก, กันได้แล้ะตอนนี้นะรับทานเสร็จใหม่ๆร่างกายทำงานนะ่ะร่างกายทำงานหนะักมันเหน็ดเหนื่อยมันเหน็ดเหนื่อยนะร่างกายทําทำงานมันเหน็ดเหนื่อยนะนะเหมือนกับเครื่องจักรเครื่องยนต์ที่มันทางาน มันก็สึกหรอเขามันร่างกายมันเหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นมันถึงอยากหลับเห็นไหมมันอยากหลับคือร่างกายมันทํางานหนักมันอยากหลับแต่ถ้าหากเราไปทํางานอย่างอื่นจนชินแล้วมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเราไปทํางานอย่างอื่นจนชินแล้วมันเป็นปกติธรรมดาพอรับทานเสร็จปั๊บ มันมีอันนั่นคอยมันมนนนีงานนั่นคอยงานนั่นคอยงานนั่นคอยบริหารเวลาจะไปจัดอะไรให้เรียบร้อยก็ยังทำไม่ได้งานคอยอยู่แล้ว ม, มันก็เลยเป็นเป็นปกติไป <c oughs> เป็นคุณสมบัติของทุกคนทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ต้องอดต้องทนอดทนหนาวอดทนร้อนอดทนหิวอดทนกระหายอันนี้ถือว่าอดทนพื้นๆอดทนธรรมดาธรรมดาที่อดทนอย่างยิ่งที่ท่านเรียกว่าอาธิวาสนะขันติ คือทนเจ็บใจโอ้อันนี้ต้องทนมากอั น, นี่ต้องอดทนอดทนอย่างยิ่งทนเจ็บใจเราทนได้เราสบายทีหลังเราสบายภายหลังเราต้องอดเราต้องทนเพราะงานบางอย่างเราต้องอดเราต้องทนถ้าเราไม่อดไม่ทนมันไม่ถึงขีดถึงขั้นขยับเกาะใกล้จะติดแล้วอ้าวลุนไปแล้วขยับเกาะใกล้จะติดแล้ว รุดไปแล้วเกาะก็จะติแล้วรุดไปอีแล้ ว, ขขลลลวทนขยับไปจนอย่างนั้นแหละก็เมือนกัเราทํางานทําการอย่างอื่นเหมือนกับเราศึกษาเรียนจำหรับตําลาความรู้ทั้งหลายทั้งปว ง, ต, อ ง, องอต้องอดทนให้รู้ให้ถึงเกรดให้ได้ระดับให้ได้ความรู้ระดับนี้ระดับนี้เนี่ยไม่อดไม่ทนเป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ การเรียนการศึกษาข้างนอกการรำมาหากินการทำงานทําการข้างนอกกับการเรากับการที่เรามาสังวรระวังวิรัสงดเว้นข้างในของเรานีก็เหมือนกันอันนี้เป็นงานในภายในเป็นงานมาต่อสู้กับสาเหตุต้นตอของกองทุกข์เราต้องมาสํารวมเรามาระวังข้างในต้องมาวิรัตต้องมางดต้องมาเว้น ต้องมาสัมรวมสังวรระมัดระวังการสังวรการระมัดระวังใครทำได้ตลอดต่อเนื่องแต่จะทำตลอดได้จะต้องอาศัยความวดความทนความอดความทนต้องเป็นภาค พ, พื้นขันตินี่เป็นเครื่องระดับของนักปราศความอดความทนขันติเป็นตบะอย่างยิ่งขันติทีรหลังการโร ขันติตโปตปัดจิโนขันติเป็นเครื่องประดับของปราชของบัณฑิตยิ่งระดับทากิเลตให้หมดไปจากหัยใจแล้วเนี่ยคือมหาปราดมหาบัณฑิตจะเป็นคนชาติชั้นวรรณะไหนก็ตามทำสิ่งเหล่านี้ให้หมดไปจากหัวใจเป็นจองปราชเป็นมหาบัณฑิตขันติเป็นตะปะธรรมขปตะปัดคือเครื่องเผดเผากิเลส ลองอดลองทนไปสิเขาด่าเราฉอดฉอดอดอดอดต่อนหน้าเนี่ยทนทนดูกิเลสในใจของเรามันดิ่นดิ่นดิ่นดินเหมื อ, อนข้างยิ่งจกขาดินเด้เด้าเด้าเด้าใครเคยเห็นบ้า น, นะอดทนอย่างยิ่งอดทนอย่างยิ่งบางคนอดไม่ได้ทนไม่ได้เนี่ยพริกแป๊บเดียวเนี่ยอา้าวฆ่ากันตายแล้วนั่นเใช่ไหมมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนความอดความทน อดไม่ได้ทนไม่ได้ตายอดไม่ได้ทนไม่ได้ตายต้องอดทนอย่างยิ้เราอดได้เราทนได้กิเลสตัวโกธาโกโทสักกิเลสตัวโทสัมันก็สงบไปมันกระงับไปอันนี้ก็คืออะไรก็คือโกสมุนของตัณหานะความไม่ชอบใจความไม่พอใจ เกิดปฏิฆะเกิดการขัดข้องปฏิฆะคือความขัดใจปกติใจของคนเรามันชอบไหลไปไหลไปตามชอบใจมีอะไรไปขัดปั๊บเขาเรียกว่าเกิดขัดใจขัดใจภาษาธรรมะจะเรียกว่าปฏิฆะปฏิฆะจากนั้นแล้วก็โกทะโกทะโกรธโกรธถึงขั้นรุนแรงอาฆาตพยาบาทจองเวีนนั่น ลุกลามไปเรื่อยๆล้วนแต่เป็นเรื่องก่อทุกข์กอดโทษให้กับตัวเองไม่รู้จักไม่รู้เรื่องเกิดความรู้สึกว่าสะใจเหลือเกินสะใจเหลือเกินสะใจกิเลสเราไม่รู้จักเป็นลูกเสมุนของมันเรามาคิดดูคนหนึ่งกับคนหนึ่งเนี่ยต่อกรกันเนี่ยถ้าเราบอกว่ากันต่อสู้กันชิงดีชิงเด่นกันต่อสู้กันเอาแพ้เอาชนะกันคืออะไร น้องตอทาท่านใช้คําว่าทู ก, กิเลตมันจับสาหัวให้ฉนกัน <c oughs> น่าเขียดแข่ไ <c> น <oughs> กิเลนในหัวใจของเรามันจับสหัวให้ชนกันน่ะฉลาดหรือไม่ฉลาดฉลาดหรืองโอง่โง่กว่าอะไรงโง่กว่ากิเลสโง่กว่าความหลงในใจของเราเองอยู่ดีๆอยู่เป็นสุขสะดุกสบายแล้วไหมพอไปสร้างเรื่องปั๊บอ้าวได้เรื่องเลย บางทีเป็นทุกข์เป็นโทษผิดกฎหมายบ้านเมืองต้องจับไปจองไปจำไปขังขึ้นโรงขื้นศาลมีคดีติดตัวดีไม่ดีฆ่าแกงกันโอ้เป็นเวียนเป็นภัยกันไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ติดต่อกันไปไมารุกกี่พกี่ชาติเพราะอะไรขาดความอดทนเราอดเราอดทนได้เราสบายมากเรานั่งภาวนาเราต้องอดทนไหม เรานังภาวนาเราต้องอดทนไหมภาระทุกอย่างที่เราต้องแบกต้องหามาเราต้องอดทนไหมเราต้องอดทนเราเป็นอยู่ในโลกเราต้องใช้ความอดความทนทุกระยะทุกขั้นตอนในความเป็นอยู่ <c oughs> ดูแต่คนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องใช้ความอดทนเท่าไหร่ อดทนต่อภาวะความเป็นพ่อกับเป็นแม่อดทนต่อความเป็นผัวเป็นเมียต้องอดทนไหมสามีต้องอดทนเพื่ออยู่กับภรรยาได้ภรรยาต้องใช้ความอดทนให้อยู่กับสามีได้ถ้าความอดทนของใครพังอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วพังเพราะขาดความอดความทน อันนี้มีคติเหมือนกันครูบาอาจารย์ท่านเคยท่านเคยแนะนำท่านบอกว่าครอบครัวของท่านพ่อของท่านแม่ของท่านเวลาถูกพ่อบ่นขึ้นมาบ่นให้แม่นะแม่ของท่านแม่ของท่านจะฟังฟังฟังฟังนะเดินไปใช้ <c oughs> ไม่ต่อคำสักคำเดียว <c oughs> ถึงถึงคราวทีที่พ่อพูดแม่ฟังฟั ง, ฟ, งฟัง้นะเดินไปใช้ ไม่แสดงกิริยาอะไรให้ผิดไปจากปกติถึงคราวได้ทีแม่แมพังแม่ก็ใส่พ่อแม่ก็ใส่พ่อเลยฟังๆๆพ่อก็ฟังๆเดินหนีใช่ <c oughs> ไม่ประท่ากันไม่ต่อกอนกันนี่เขาเรียกเขาเรียกว่ารู้จักอดรู้จักทนคือเขาเรีว่าคนหนึ่งข้างหนึ่งยกมือขึ้นมาเนี่ยอีกข้างหนึ่งยกมือรับ มันก็ระเบิดพ่อแรงประทะกันใช่ไหมปะทะกันเปรี้ยงเข้าไปทั้ะนัคนหนึ่งยกยบจนแขนจะหักมันไม่มีอะไรโผล่ขึ้นมาปะทะมันจะมีอะไรมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเป็นกรมะมาปะทะไม่มีมีเพราะฉะนั้นความอดทนนจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งดูทนอดทนต่อความเป็นพ่อเป็นอดทนแค่อดทนต่อความเป็นผัวเป็นเมีย อดต่อความเป็นพ่อเป็นแม่ดูแม่ที่ต้องอดต้องทนไหมอุ้มลูกในท้องอ่ะดูดิใครเคยมีลูกต้องอดต้องทนขนาดไหนต้องทะนุทนอมขนาดไหนนั่นคือหลักธรรมชาติที่มันเกิดแล้วมันมีแล้วมันอะไรแล้วพลอยบังเอิญตกกระไดพลอยกระโจนไปเนี่ยต้องกดต้องทนเพราะฉะนั้นคุณของพ่อคุณของแม่ จึงมีเหนือหัวของลูกทุกๆคนคือความอดความทนของท่านมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ถ้าไม่มีถ้าท่านไม่มีความอดความทนความอดความทนพร้อมกับความรักความเมตตาความทนุถนองยังไม่เห็นเลยว่าลูกคืออะไรผู้ชายหรือผู้หญิงกีริย์หรือขี้เรศเป็นพระเอกหรือเป็นพยามารที่จะมาตามล้างหานเราให้รู้และรักถนอมอย่างเดียวนะ ยกตัวอย่างเหมือนพระยาพิมพิสานเนี่ยพระยาพิมพิสารเนี่ ย, ย, ร, ยรู้ว่ า, อาโอรสที่อยู่ในท้องของนางเวทเทหีเนี่ยเป็นลูกทรพีเพราะอะไรเพราะโหนเขาเกลียวอยู่แล้วว่าลูกคนนี้ดูตามเริกตามดวงแล้วเนี่ยจะเป็นทรพีคำว่ า, าทราพีปแปลว่าชนพ่อฆ่าพ่อ นางเวทเทหไม่เสียดายชีวิตทั้งตัวเองเลไม่เสียดายลูกในท้องเลยพยายามไปขึ้นมาหลังมา้าพยายามไปส่งมา้าทําทั่วเป็นตกอย่างม้าบ้างอะไรบ้างให้แทงให้ใายท้องมันแทงให้ลูกในท้องมันแทงให้โอลลตในท้องมันแทงแต่พย่เจ้ พ, พิมพิสานมีแต่รักขนมอมรักขนอ ม, อ ม, น, อมนี่เกิดมาเพื่อจเจ้าชีวิตพ่อแทนนี่คือความรักของพ่อจะเห็นว่าเป็น เป็นเวรเป็นภัยเป็นศัตรูที่ไหนทะุทนถนอมมาเนะนี่ก็เป็นสายเลือดสายเลือดไปจากพ่อแต่คนที่คนที่ได้รับความทุกข์ยาวนานกว่าพ่อคือใครก็คือแม่หลังจากอุ้มลูกในท้องนะต้องทนุต้องถนอม ต, ต้องนูน้นตรงนี้รับทานอาหารอของหวานของข้าวของร้อนของแสบของที่เป็นพิษเป็นภัยต่อขันของลูกเองต้องต้องทน ทะนุถนอมประคับประคองอดทนไปเท่าไหร่เจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าเดือนคนที่เคยประสบการณ์นั่นแหละจะรู้จักเราไม่รู้จักหรอกพวกผู้ชายไม่รู้จักไม่เคยอุ้มท้องไม่รู้จักไม่รู้เรื่องน่นต้องอดต้องทนไหมอดทนพลอยตกกระไดพลอยโจรไป แต่ด้วยความรักด้วยความห่วงใยด้วยความทนุถนองต้องกดต้องทนอยู่อย่างนั้นออกมาแล้วไอ้วันออกเนี่ยต้งเกือบตายทั้งเขาทั้งเราทั้งลูกก็จะเกือบตายไอ้เราก็จะเกือบตายบางคนบางคนตายคนคลอดออกไม่ได้ตายคลอดออกมาออกไม่พ้นตายนั่นทุกข์หรือไม่ทุกข์ แต่ก็อดทนทนจนถึงตายมันถึงขั้นที่ว่าเป็นเวรเป็นกรรมออกมาไม่ได้มันก็ต้องตายเราดูไปแล้วนี่กองทุกข์ทั้งนั้นพุทธิจัาท่านสอนพวกเราแต่เรามองไม่เห็นการที่เราต้องอดต้องทนกับการทํางานเพื่อให้รู้สาเห ต, ตุต้นตอจึงเป็นเรื่องที่ไม่เหลือบาปว่าแห่ง ที่เราควรจะตั้ง อ, อกตั้งใจศึกษาฝึกฝนอบรมให้รู้ให้เข้าใจเพื่อเป็นการเข็ดเป็นการหลากการมีลูกโดยเฉพาะยังยิ่งสมัยปัจจุบันเราดูไปลกูกแต่ละคนแต่ละคนเป็นภาราไหมเลี้ยงมากตั้งเป็นตั้งแต่เป็นทารกกว่าจะเดินได้กวาจะหัดเดินได้กว่าจะหัดพูดได้ก็จะได้เรียนหนังสืออนุบาลประถมมัธยม อนุปริญญาปริญญาบางคนจบถึงปริญญาเองโอ้โหกว่าจะได้กว่าจะได้ส่งเขากว่าจะถึงที่สุดโอ้โหต้องกดต้องถนเท่าไหร่บางคนไม่มีอะไรจะส่งให้เรียนอีกต่างหากอีกต้องไปแบกต้องไปหามต้องไปทํางานหนักทํางานเบาบางคนจะสุขสบายข้ามหวยก็พอพอพอพอจะเบา อ, อกเบาใจถึงกระนั้นก็ตาม ต้องทนุกต้องถนอมต้องหงึงต้องหวงลูกของตัวเองเพราะมันอยู่ในหน้าที่ที่ต้องเสี่ยงกับหมู่กับเพื่อนกับพวกกับพ้องจะต้องไปเสียความประพฤติอย่างนั้นอย่างนี้ดีมันดีลูกไปโรงเรียนดิบดีอะไรขาดเขินใช้สอยจัดหาให้อย่างดีไม่มีมือถือหามือถือดีๆให้ไม่มีน็อตบุกไม่มีคอมพิวเตอร์หาของดีๆให้บางคนร่ำรวยเหลือเฟือ หาจักรยานดีๆให้มอเตอร์ไซค์ดีๆให้หารถเก๋งดีๆให้ทนุษสนองด้วยความรักความหึงความหวงแต่ถ้าลูกเป็นไปตามใจหวังของเราเราก็จะไม่หนักใจแต่บางคนไม่เป็นไปตามใจหวังเลยไปเล่นๆไปไปไปปล่อยไปปล่อยมาติดยาบ้าแล้วตายแล้วผู้ชายก็ติดได้ผู้หญิงก็ติดได้ ครูบาอาจารย์บางผมท่านเคยพูดธรรมะใฟังท่านว่าท่านพูดธรรมะให้กลุ่มศรัทธากลุ่มหนึ่งฟังในระหว่างที่ท่านพูดเรื่องเหล่านี้มีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้อตอนหลังมาทราบว่ามีลูกผู้หญิงสามคนติดยาพาทั้งหมดเลยดูสิ <laughs> แม่นั่งร้องไห้ทุกข์ไหม ถึงจะอดจะทนขนาดไหนก็ตามเราเอาใจของเราอดทนแต่ตัวเขาเองกับความอดความทนของเรามันเป็นคนละเรื่องคนละอย่างนี่เห็นไหมนี่คือกองทุกนี่แหละทุกในวัฏสงสารแต่เรามองให้ค่อยเห็นนั่นดกมันมีความสนุกพอมากรมมาเกลือนมาเพลินไปเป็นวันวันเหมือนอย่างที่เรานั่งอบรมตรงนี้เราได้ยินเสียงเพลงอะไรเขากล่อมมาทุกระยะไหมเขาเรียกว่าเพลงกล่อมโลก ให้โลกนี้พออยู่เย็นเป็นสุขได้บ้างเป็นการกรบเกลื่อนเป็นการกรบเกลื่อนเท่านั้นเองไม่ได้ไปเอารากไปเอาเงาไปเอาเหตุไปเอาต้นต่อที่จะทําให้เกิดความทุกข์เหล่านี้ออกสิ่งเหล่านั้นก็อยู่อย่างนั้นแหละมันก็ส่งผลมาอยู่อย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นว่าตะสงสารเนี่ยยืดยาไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบถ้าเราไม่เอาทำ กรรมวิบากมันตัดกิเลสไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสที่จะหมดไปได้วัตฏวนลกิเลสกรรมวิบากกิเลสกรรมวิบากเราจะต้องตัดกิเลสการตัดกิเลสก็ต้องเอาธรรมเปตัดเอาอย่างอื่นตัดไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราเจริญกรรมฐานเนี่ยพุโทโธพุโทโธพุทโธมันเป็นอารมณ์ธรรมมันเป็นการเอาธรรมมาทํางานผลิตผลออกมาเป็นผลิตผลของธรรม ทำกรรมวิบากผลจึงเป็นเรื่องของธรรมไม่ใช่ผลเป็นเรื่องของกิเลสถ้าเป็นกิเลสทำกิเลสกรรมวิบากวิบากเป็นผลรายได้ของกิเลสปล่อยให้เขาทำทั้งวันทั้งคืนยืนเดิห czenia, หนนั่งนอนตลอดทั้งชีวิตผลรายได้เป็นของเขาทั้งหมดวัตถะสงสารของเรายืดยาวไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้วัตถะสงสารกองทุกในวัตถะสงสารมีอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้ ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยแค่รับพูดถึงความอดความทนแค่นี้เอาไปใส่กับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องที่เราต้องอดต้องทนเท่านั้นโดยเฉพาะยิ่งปัญจขันธ์ที่เราได้มาเนี่ยสมมุติเราออกมาเป็นตัวของตัวแล้วโตวขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นตัวของตัวร่างกายเนี่ยทุดโทรมไปเสื่อมไปสิ้นไปต้องแก่ต้องเจ็บเจ็บแค่ได้ป่วยต้งเท่าต้องแก่แล้วก็อยู่รอบข้าง ของภัยพิบัติสารพัดที่จะเพึงเกิดขึ้นมีขึ้นเสียจแล้วบางครั้งก็ตายเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีก็อุบัติเหตุตายเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายผู้อยู่นี้คือนั่นคือกองทุกนี่ปัญจขันธ์ท่านจึงสรุปมาที่ปัญจขันธ์การได้ปัญจขันธ์มานี่ปัญจขันธ์มันเป็นตัวผลมันมาจากเหตุคือสมุทยัยพูดไปก็ไม่พ้นตันหา เราพูดกี่วันกี่ครั้งทั้งวี่ทั้งวันก็ไม่พ้นตัณหาเพราะนั้นคือรากเงาต้นต่อที่พยายามชียย้ให้พวกเรารู้ให้พวกเราเข้าใจอืมด้วยเหตุที่เราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราก็หลงเคลื่อเพลิดเพลินไปกับไอกับควันของมันเหมือนกับเพลงที่เขากลองนะ่ะเพลินไปเป็นวันวันเพลินไปเป็นอย่างๆเพลินไปเป็นเรื่องเรื่องเพลินไปเป็นเพลงเพลงเพลิสนสน่อยหนึ่งทุกอีกแล้วเหีย่ยวแห้งไปแล้วนะ เพราะแช่มชื่นหัวใจสันหน่อยเหี่ยวแห้งอีกแล้วแช่มชื่นสันหน่อยเหี่ยวแห้งอีกแล้วอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะมาสู่หัวใจของเราจึงควรจะผ่านการกลั่นกรองจากสติธรรมจากปัญญาธรรมท้หากการหาเหินกาดจากการประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านั้นมันปนเปื้อนมาทุกครั้งทุกประยัตเพราะมันก็พยายามสร้างโรคสร้างท่าให้กับตัวมันเอง สร้างรกสร้างรากให้กับตัวมันเอง ก, กิเลสตัณหาสมมันพยายามสร้างรกสร้างรากให้กับตัวมันเองนี่อันนี้แค่แค่ว่าพ่อแม่ต้องอดต้ทนทนหาเลี้ยงหาเลี้ยงลูกลูกออกมาแล้วออกมาโดยลําพังต้องมาอดว่าทนทมาหากินต้องมาแบกกองทุกแบกกองขันถึงขนั้นก็ตามก็ดี อ, อกดีใจลูกเกิดขึ้นมาแล้วพ่อแม่ก็ดี อ, อกดีใจดีใจ ดีใจคือมีเครื่องต่อจากสองชีวิตต่อไปเป็นหนึ่งชีวิตต่อไปเป็นสองชีวิตต่อไปเป็นสามชีวิตอันนี้มันเป็นกฎธรรมชาติที่เจริญสืบพันุ์กอรักกอรกกอราดเป็นเผ่าเป็นพันุ์เหมือนต้นไม้เหมือนหน่อไม้มันแทงแขนงออกไปปีละสองแขนงสามแขนง ปีละสองแนนงสามแนนงมันมีตาพูลนเต็มไปหมดมันก็แทงออกมาแทงออกมาเป็นต้นมันก็คงไม่ต่างอะไครคับพวกเรามีลูกมีหลานมีเหลีนนะเจริญเจริญขึ้นเกิดขึ้นมีขึ้นในโลกอันนี้คือรอกรากของชมบทไทยที่มันสร้างเผ่าสร้างพันธุ์ให้กับตัวมันเองถ้าเราไม่ได้คำหนึ่งไม่ได้ศึกษาไม่ได้ดเรียน เราก็มาหลงเคลื่อนอยู่กับภารกิจการงานของสิ่งเหล่านี้จนลืมสอดส่องดูไอ้ตัวที่เป็นพิดเป็นภัยอยู่ข้างนในในท่สุดก็แก้ไม่จบวัฏสงสารไม่มีที่จบไม่มีจุดจบแบบกองทุกไปไม่มีที่จบไม่มีจุดจบเรามานูโลกของเราเนึ่ถ้าปราศจากพร ะ, ะรเจ้ามา อ, อุบัติในมืดมนโอนอากาศไม่รู้จักเลยครับ่าสมุทยัยทุกสมุทัยนี่รอดมากไม่มีไม่มีปรากฏ แม้ตนยุคสมัยที่พระพุทธเจ้าไม่อุบัติขึ้นเขาก็ไม่รู้จักทุกสมไทยัยนีร่รอดมากไม่รู้จักไม่รู้จักหลักอริยสัจสี่ไม่รู้จักความเกิดขึ้นมาตัวเองคือกองทุกข์เราก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นมาจากสาเหตุอะไรไม่รู้จักข้อปฏิบัติใดๆที่จะมาระงับดับสาเหตุเหล่านั้นไม่รู้จัก ทำไมจะดับได้จดับได้ความคิดที่ว่าจะดับก็ไม่มีซะอีกเพราะไม่รู้จะไปดับตรงไหนนี่มันทุกข์มันลำบากไหมเพราะฉะนั้นเราดำลึกอย่างนี้เราเห็นบุญเห็นคุณของพระพุทธเจ้าของผู้ที่ตั้งอกตั้งใจ ข, นขวนขวายเพื่อเอาสิ่งเหล่านี้มาเปิดเผยให้กับเราพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระอริยาสาวกรวมมาถึงครูบาอาจารย์ยุคสมัยพวกเราเนี่ย ที่ท่านมาเปิดเผยความเป็นพระอรหันต์ให้ปรากฏให้โลกยุบลงปูกเสารลลงผูกมันเงี่ยรงตางี้ถ้าไม่มีท่านเหล่านี้มาเปิดเผยเพวกเราเขาโอ้รู้สึกว่าหูหนาตาเถื่อนอยู่นั่นแหละไม่มีความมั่นใจว่าอะไรคืออะไรเป็นอะไรข้อปฏิบัติที่พาจัดพารำพาลัดพาเลาะมาให้เกิดความหวังให้เกิดความอุ่นใจไม่มีครูบาอาจารย์เหล่านี้สําคัญไหม มีความสําคัญมีความสําคัญที่จะมาต่อต่อมาเรื่อยต่อมาเรื่อยต่อมาเรื่อยอาศัยสืบช่วงกับครูบาอาจารย์มีทั้งสายส่งเอาไว้มีทั้งสายนํามาปฏิบัติเพื่อเกิดรสชาติเพื่อเข้าไปถึงธรรมถึงอัตถิธรรมของพระพุทธเจ้า พ, พุทธเจา้าท่านสวยหาด้วยการสร้างบารมีมาแล้วเวลาได้มาอาบัติได้มาตรัสรู้ก็พยายามที่ยวประกาศ บอกสอนไปด้วยเมตตาสงสารที่เรียกว่าพระมหากรุณามหาการีโกนาโถหิตายะสัพพ ป, ปานังพระพุทธเจ้าไม่เห็นแก่ความเหน็ดความเหนื่อยทุกอยา<ม>่างลงบากขนาะดไหนเดินไปเพื่อไปโปรโดเดินไปเพื่อไปโปรโดแม้แต่วันสุดท้ายที่จะประิพิานเราจะต้องไปปริิพธิานที่เมืองกุศินารา มีพรามคนหนึ่งที่จะเข้าไปบวช ก, กับเราที่จะเป็นสาวพระองค์สุดท้ายนะนี่ก็ยังแค่นี้ก็ยังมีในหัวใจแม้แต่ชีวิตกําลังจะขาดชีวิตจินซไปแล้วเนี่ยยังมีความรนึกิดเมตตาที่จะไปโปรดนี่คือหัวใจของพระศาสดามีความเสียสละมีความเสียสละเพราะเห็นความทุกข์ที่เป็นไปในวัฏสงสารอย่างนี้เอง ความเมตตาเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้จากสาเหตุเหล่านี้มีเป็นการฟังเพื่อเป็นการมาปลุกศัท ธ, ธาภาษาถากให้พวกเราเระลึกรู้แล้วก็ตื่นมาให้เห็นว่าของทุกทีนี้เราเแบรกรองทุกด้วยกันทุกคนกองทุกเหล่านี้ถ้าเราไม่รู้จั ก, จ, กจัดการกองทุกเหล่านี้จะจัดการเราทุกวันทุกวันทุกวันเบอีกแล้ว ดืมเช้าตื่นดื่มตาหมักแบกกองทุกข์อีกแล้วเช้าตื่นดืมตาหมักแบกกองทุกข์อีกแล้วเนตเหนื่อยเท่าไหร่ต้องไปหาทำนั้นทำนี่ทำงานทำการเพื่อได้นนท์ได้นี้เพื่อได้งานได้การเพื่อได้สิ่งแรกเปลี่ยนเพื่อความเป็นไปความอยู่ของชีวิตเพื่อความอยู่รอดของชีวิตทุกอย่างลำบากขนาดไหนะ เจ็บได้ป่วยก็ต้องอดต้องทนทําหนาวจะเป็นจะตายก็ต้องอดต้องทนทํำร้อนจะเป็นจะตายอดหลับอดนอนเทไร่ต้องอดต้องทนต้องอดต้องทนถ้าไม่อดไม่ทนเพราะชีวิตนี้โลกนี้เป็นภาวะที่ต้องอดต้องทนเราอดทนตั้งแต่งานเพื่อนธรรมดาธรรมดาจนถึงงานจาระขัดเกลากิเลสตัณหาอาสวะในหัวใจ ความอดความทนจึงเป็นคุณสมบัติของปราดของบัณฑิตเป็นเครื่องประดับของปราดของบัณฑิตเป็นตบะธรรมแผลเผากิเลสขันติ ต, โตะโปตะปัดชิโนขันติหิตะสุขาวหาใครมีขันติหาความสุขได้ใครไม่มีความขันติคือความอดความทนหาความสุขไม่ได้ขันติหิตะสุขาวหา ความสุขทั้งหลายที่เรหาได้ด้วยความอดมทนเราอดทนทุกอย่างลำบากแต่มันมีผลรายได้เพื่อที่จะส่งผลให้เราได้รับความสะดวสบายตรงกันข้ามเราติดจุขเราติดสะดว ก, กสบายร่างกายก็ไม่อยายให้ เ, เหนื่อยเหนื่อยเงือก็ไม่อยาให้ตกให้แตกมันจะมีผลรายได้มันจะมีงานการอะไรที่จะทำให้เราในค้ามตอบแทนไม่มี แล้เราจะได้อะไรมามามาเกือกูลชีวิตดินสีนี่ให้มีความสุขไม่มีนี่เขาเรียกว่าต้องการความสุขตั้งแต่ยังไม่ได้สวางหาติดความสุขอยู่อย่างนั้นแหละไม่รู้ว่าเหตุอะไรเหตุเพื่อความอยู่ได้อยู่รอดไม่รู้อย่างไม่เข้าใจเขาเรียกว่าติดสุขติดสุขความสุขทั้งหลายทั้งปวงนั้น เกิดขึ้นในลำดับแห่งความทุกข์ความสุขทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นในลำดับแห่งความทุกข์แค่เรานั่งภาวนานี่ยนะถ้าเราตั้งใจอดตั้งใจทนสักหน่อยหนึ่งจิตของเราสงบนั่งมันมีความมันมีความสุขคอยเราอยู่ข้างหน้าถ้าเราไม่อดไม่ทนเราก็ไม่ถึงอมันเป็นความสุขที่มาในลำดับแห่งความทุกข์ เป็นความสุขที่มาในลําดับแห่งความทุกข์ตรงกข้ามกับข้อแรกที่ว่าติดจุกติดสุกสักหน่อยหนึ่งมันเป็นความทุกข์ที่มาในลําดับแห่งความสุขเราจะเอาอันไหนเราจะเลือกอันไหนเราเห็นพวกคนที่เข า, เ, ขาเป็นเจ้าสํำราญไม่อยากเงินตกไม่อยากยางหลอดนีน่ประเภียกว่าความสุข ความทุกข์จากนั้นแล้วว่าหาอะไรไปเยียวยาไม่มีหาอะไรที่จะอยู่สะดวกสบายไม่มีเพราะเราติดเป็นเจ้าสำราญไม่แสวงหามารู้จักสร้างรบสร้างรากมารู้จักเก็บหอมรอมริบมารู้จักกักตุนไว้เพื่อคราวที่จะได้อยู่สะดวกสบายในสุดเราก็หาความสุขไม่เจออายุลงไปห้าสิบปี60สิปี70ดิปีไม่มีสมบัติอะไรพอที่จะทำให้เรา จเจริญงอกเงยพยจรมีดอกมีผลให้เราได้อยู่ไปสบายไปวันๆไม่มีวันไหนก็ต้องไปหาถึงจะได้วันไหนก็ต้องไปหาถึงจะได้แต่สิ่งที่ไม่อยู่เท่าเดิมคืออะไรอัตภาพร่างกายแก่ไปสุดซศมไปชาราไปครับขาไปแม้แต่ยังไม่แก่อยู่ไปอยู่ไปแม่เจ็บมันไข้ป่วยเป็นลองเจ็บไข้ในป่วยสักหวันสิบวันลงดูไม่ได้ทำาหากินขาดรายได้ไปสิบวันเท่าไร่า มีอะไรใช้สอยนี่ตอนที่เราอยู่สุขสบายเราไม่ค่อยจะคำนึงไม่ค่อยคำนึงถึงว่าเวลาเราเจ็บใค่ได้ป่ยเราได้อะไรและอายุล่วงมาถึงขนาดนี้แล้วเจดสิบปีแปบางคนหกสปีเจ็ดสิปีแล้วยังตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้ตั้งเตอะตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้ยังทุกข์ยากลาบากยังกระ ด, ดาษในการหาอยู่หากนินยิ่งไม่มีใครดูแลด้วยแล้วเนี่ยทำไง เราไปด้วยเรียบเลยถึงคราวเราไปไม่ได้ทํำยังไงท่านจึงให้คิดกะหน้าก้าวลังให้มีพอประทำอยู่รักษาอัตภาพนี้ไปจนกว่าจะจบไปพบหนึ่งพบหนึ่งชาติหนึ่งพบหนึ่งชาติหนึ่งถึงขรานั้นแล้วก็ตามเราไปหาเลี้ยงไปพอวันวันไม่ได้คำํำนึงถึงวิบากกรรมที่เป็นส่วนกุศลเกี่ยวกับเรื่องศีลเรื่องธรรมเราก็ขาดทุนอีกดีไม่ดีโดยเหตุที่เราได้รับความทุกข์ยากลาบาก อาจจะสอบสลายฉาในทางที่ผิดก็ได้ทำให้อัตภาพข้างหน้าของเร า, านตกก๊ะกระป๋องไปแล้วไม่มีคุณสมบัติพอที่จะมาเป็นมนุษย์อ้าไปเป็นสัตว์ในไร่ฉ า, า, าแล้วไปเป็นเปรตแล้วเราไปแอบชขอขกของเขาลกของเขาไปเป็นอสุรกายแล้วไปโตกนรกหมกไห้หมอ้อ น, นรกทองแดงขุมนั้นขุมนั้นคุมนั้ น, น, นเนื่องจากติดสนี่เอง ติดสุกติดกินติดเล่นติดพนันติดเพลินไปกับสิ่งที่มันพายวยวนให้เราเพลินความทุกข์คือชื่อว่าความทุกข์แล้วไม่ค่อยจะสนใจความทุกข์จากการอดการทนเหมือนอย่างที่เรานำภาวนาอดไปทนไปทุกไปเพื่อให้เกิดปัญญาเพื่อถอดถอนสิ่งที่เป็นเป็นเจ้าเป็นจอมในหัวใจของเราทําให้เราต้องได้รับความทุกข์ทรมานไปนวัฏฏสุขสารไม่มีจุดจบไม่มีที่จบ ถ, ถ้าเราไม่ทนเราก็ไม่ได้ถ้าเราตั้งใจอดตั้งใจทนเรานี่แหละคนหนึ่งจะเป็นจอมปราดจะเป็นมหาปราดในโอกาส ต, ต่อๆไปจะว่าเป็นใครไม่มีเป็นใครนะบรรดาปราดบัณฑิตทั้งหลายเหล่านั้นท่านก็ไปจาบเหมือนอย่างเราเรานี่แหละอย่ามอดทนพยายาพยายามใช้ขันติใช้ความอดใช้ความทนอย่างยิ่งยวดเราคิดถึงสิ่งเหล่านี้แล้ว แค่เราทนหิวเรื่องเล็กน้อยยิ่งเรามาถือตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกอยู่แล้วนะไม่รับทานอาหารในิยมิการอยู่ได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าให้อดจนเป็นจนตายไม่ใช่ไม่ใช่ถือเหมือนพวกอัตกิะลามาทานุโยตลองทรมานใจต้องทรมานกายให้ยิ่งต้องทรมานกายจนตายกิเลสถึงจะตายไปด้วยนั่นเขาคิดอย่างนั้น ไม่รู้ว่ากิเลสตัวที่จะตายคืออะไรเป็นอะไรไม่รู้จักมันอยู่ตรงไหนมันสถิตยอยู่ตรงไหนมันมีมันมีผลเกิดขึ้นจากอะไรมันมีเหตุเกิดขึ้นมาจากอะไรไม่รู้จักอต้องการทรมารถให้ร่างกายตายคิดว่าร่างกายตายแลกกิเลสจะตายด้วยเพราะพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าเคร่งเกินไปอถ้าเป็นสายพินก็ดีดให้เป็นเสียงเพลงเสียงอะไก็ ก็ไม่มีเสียงออกมาภพ่เพราะดิ้งดิ้งดิงดิงดิงใกล้จะขาดนะมันจะขาดนะดิงดิงดิงดิ้งพอขาดไปแล้วสมกขาดร่างกายขาดชีวิตไปนี่ขาดชีวิตินทร์สีไปเอาอะไรมาทําประโยชน์เอาอะไรมาทําประโยชน์ไม่ได้พอล่วงลับดับดับไปแล้วจิตใจของเราไปรับผลรับวิบากในภพนั้นในภูมินั้นที่จะมาสร้างเสริม เหตุปัจจัยเพื่อให้เกิดผลที่ดีงามเพิ่มพูนทวีคูณให้กับบุญบา ร, รมีของเราไม่มีอิ้ดิงดิ้งขาดรู้ดีเจ้าท่านท่านทราบ ท, ท่านเขาใหญ่โอ้ไม่ใช่ท่าแล้ไปทําตัวหย่อนยานเกินไปบริโภคคารรมเต็มแพร่โอ้หย่อนเกินไปก็ไม่ดังถ้าเป็นสายผินก็ไม่ดังอะระ า, าพระองค์จึงเปิดทางสายกลางเหมือนกับสายผินที่พอดีพอดีไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไป ดิดเป็นเสียงสูงเสียงต่ํามีความไพเราะอันนี้เป็นข้ออุปมาที่ทําให้เราดูชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันรวมไปถึงข้อปฏิบัติของเราแต่พระอรรถมาที่อาริยมัมมิโแปสรุปมาที่อริยสัตสีสรุปมาที่หลักปัจจัยาการปฏิจจสมุปบาทสรุปมาด้วยข้อปฏิบัติที่กระทัดรักเหมือนกับเป็นอาวุธ ทีละเอียดติดอยู่กับเนื้อกับตัวของเราเหมือนนักรบถึงแม้เขาจะมีมีดาบอยู่ในมือแล้วก็ตามแต่เขาจะมีกริดติดอยู่กับตัวอกีกมีปืนอยู่ในมือแล้วก็ตามยังมีกริดสั้นๆอยู่ในมืออกีกนี่คืออาวุธที่ติดแนบอยู่กับตัวแท้ๆมหาสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าท่านทรงวางไว้ไม่ต่างไม่ต่างกับกริดติดอยู่กับตัวอันนี้จะช่วยเรา ได้ทุกระยะทุกเวลาทุกมาตามพิจารณากายทําพิจารณาเวทนาตามพิจารณาจิตตามพิจารณาธรรมทําอย่างใดอย่างหนึ่งทะลุถึงกันเพราะผู้ทํางานก็คือจิตดวงเดียวพูดไปแล้วไม่พ้นเพราะอันนี้เป็นสนามงานเป็นที่ฝึกงานเป็นข้อปฏิบัติเพื่อที่จะมาเข้ามารู้เหตุเข้ามารู้ปัจจัย เพื่อทําลายสิ่งเหล่านี้แต่เหตุปัจจัยที่คอยสนับสนุนที่สําคัญยิ่งคืออะไรขันติคือความอดคือความทนอดทนได้เราจะสมัยได้ภายลัง <c oughs> งานการบางอย่างเราอดทนได้เรามีความทุกข์แต่เรามีความสุขเป็นวิบากนี่แหละความสุขจากการที่เราตั้งใจภาวนานี่ในระหว่างที่เราตั้งออกตั้งใจทําทุกข์ไหมทุกข์ ต้องนั่งไม่เปลี่ยนไม่พลิกไม่เปลี่ย น, ยนแต่ว่าบรรดามิจฉาทิฏฐิในหัวใจของเราน่ยมันเสียแซงให้เรายึดอย่างนี้ยังนั้นยึดอย่างนี้เกาะอย่างนั้นเกาะอย่างนี้พระพุทธเจ้าพรย า, พาพยามาเอาสัมมาทิฏฐิมาแก่อา้าวตั้งสติขึ้นมาสติสัมมาทิฏฐิมีสัมปชัญญะสติมาสัมปชาโนโอาตาปีพระครรภ์ประคองก็ไปอาตาปีก็คําหลุดจดจอเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงสังวรจับ ยับยับระวังไม่ให้ปัญหามันโผล่ขึ้นมาสังวรสังวรประทานประธานประทานในขณะที่เราสังวรได้ในขณะที่เราสังวรได้ตัญหาใหม่เกิดไม่ได้กัญหาปัญหาใหม่เกิดไม่ได้ตัญ ห, ห, ห, หาเก่าที่ที่มีเราพยายามประหานมันสังวรประธานประทานในเมื่อโทษใหม่ไม่เกิดโทษเก่าเราพยายามละ มันมีมากน้อยเท่าไหร่ก็ย่อมหมดไปได้อันนี้เป็นข้ออุปมาที่ทําให้เรามาเทียบดูแล้วว่าเราจะมีกิเลสในใ น, ในหัวใจเรามากเท่าไหร่น้อยเท่าไหร่ก็ตามด้วยเหตุที่เรามาอยู่กับปัจจุบันด้วยบทการเจริญมหาสติปัฏฐานเนี่ยเป็นอาวุธติดแนบอยู่กับเนื้อกับตัวสามารถทําได้ทุกอิรยาบถยืนเดินนั่งนอนอเราปิดกั้นความชั่วร้ายในปัจจุบันไม่ให้เกิดขึ้น ทังวอดทั้ห่วงราระวังเป็นข้อปฏิบัติปิดกัน้นอุดรูอุดรูอุดช่องอุดช่องอุดรูที่กิเล่มันจะทะลักทะลวงเข้ามาเหมือนกับ น, น้ําทะลุเข้าไปในเรื อ, อเรือที่ทะลุในนั้นมันมีทั้งน้ําเก่ามีทั้งน้ําใหม่น้ําใหม่ก็ทะลักเข้าไปน้ําเก่าก็ขังเพิ่มขึ้นเรื่อยขังเพิ่มขึ้นเรื่อยวิธีแก้ไขไงเราทําไวัเราจะได้เรือเบาเพื่อที่จะคํา ข้ามฟากไปได้อย่างเบาสบายอุด ร, ร, ด ร, รูพระอุดรูรั่วของเรือเพราะรอุดรูปับน้ำใหม่ไม่เข้าเมื่อน้ำใหม่ไม่เข้าน้ำเก่าแร้ ว, วิตย์ออกหมดไปได้ไหมหมดไปได้วิทย์ออกไปเท่าไหร่หมดไปท่านั้นวิทย์ออกไปเท่าไหร่หมดไปท่านั้นนี่คือประหานประหานภาวนาประทานอ่ะนี่คือสังวรประทานประหารประทาน สังวันประธานกับประธานประทานในขณนะเดียวกันเราใช้สติใช้สัมปชัญญะกำลังจดจอ่จอเจ้าตลอดมันก็เป็นการภาวนาภาวนาประธานสร้างผลรายได้มันก็เพิ่มพูนขึ้นเป็นอนุรขณาประทานสะสมผลผลของกุศลผลของคุณงามความดีผลของสติของปัญญาก็จะเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นโดยลําดับมันจะเพิ่มพูนมากมูนขึ้น มากมูลขึ้นจนมีกําลังเพียงพอพอที่จะต่อสู้กับอํานาจฝ่ายต่ำเพื่อที่จะรอบร้างเราเระวังไม่ให้มันเกิดขึ้นของใหม่ไม่ให้มันเกิดขึ้นมาของเก่าที่มีอยู่ในจิตของเราในขันธสันดานของเราเราพยายามเอาออกในที่สุดเบาไปได้เบาไปได้แล้วก็หมดไปได้เรานั่งนั่งเรือข้ามฟาได้อย่างสะดวกสบายจากโลกนี้ข้ามไปโลกนะ้จากโลกิยะ ไปสู่โลกุตรระหนึ่งข้ามไปสู่โลกที่ไม่มีโลกพ้นจากโลกพ้นจากโลกถึงจะพ้นจากทุกยังไปเกี่ยวข้องกับโลกโลกมนุษย์โลกอับบายเทวโลกพระมาโลกยังไม่โลกไม่ใช่โลกที่จะพ้นไปจากควองทุกโลกที่พ้นจากทุกโลกุตรระโลกุตรระหนึ่งพ้นจากโลกพ้นจากโลกได้ ตรมกันข้ามแลวไม่มีอะไรพ้นทำเราแช่แปร ى, อยู่ในวัฏสงสารไม่จบไม่สิน้นโอ้พูดไปพูดมาหมดเวลาอีกแล้วเห็นไหมหมดเวลาอีกแล้วต้องใช้ความอดความทนไหมการที่เร า, านั่งฟังคุ้มค่าที่เราต้องอดต้องทนไหม เมอวานก็สองสามวาระขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงวันนี้ก็เป็นวาระที่สองแล้วเนี่ยนะวันนี้ก็เป็นวาระที่สองตอนนี้ก็สิเบเอ็ดนาฬิกาแล้วเนี่ยแล้วก็ตอนบ่ายนี้เราก็มีธุระจะไปที่สุดที่ทำด้วยแล้วแต่ธรรมบริกรณ์เพื่นจะบริหารเนี่ยตอนนี้จะพาเดินจะพานั่งจะพาอะไรเราพูดถึงความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังมาแล้วอู้มากมายท่วมท้นแล้วน่ะ เราขาดอย่างเดียวขาดว่าทำให้มากเจริญให้มากเท่านั้นเองประชนานฝากให้ทุกคนได้ช่วยตั้งอกตั้งใจแล้วก็ทำกันเพื่อความผาสุกในหัวใจของทุกคนวันนี้ยุติแค่นี้